45, สี่สิบห้าพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนกพสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆอารษนายก รกิตวันหรือป่าปาริเลยกะพระประวัตของพระพุทธเจ้าในภาษาที่สิในบาลีพระวินัยไม่ได้บอกว่าทรงจำพรรษาที่ป่าปาริเลยะกะแต่ในคัมพีชั้นอัตคกถาเล่าว่าได้ทรงจำพรรษาณป่าปาริเลยะกะนั้นและในคัมพีชั้นบาลีก็ได้เล่าว่าเมื่อได้ประทับอยู่ตามพระอัจฉยาสัยแล้ว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 และเป็นเรื่องปลีกย่อยไม่สู้มีความสำคัญอะไรมากนะักอุปกิเลสเอดอันหนึ่งก่อนที่จะเสด็จไปถึงป่าปาริเลยากันนั้นพระพุทธเจ้าได้ส่งแวะที่ป่าจีนบางสักอันเป็นสถานที่ซึ่งพระเถระสารรูปได้อาศัยอยู่ในขณะนั้นคือพระอนุรุทธะพระนันทิยะ และพระกิมพิลัพท่านทั้งสามรูปก็ได้ถวายการต้อน ร, รับพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ได้ทรงทำปฏิสันถานคือทรงทัดทายและได้ตรัสถามถึงการอยู่ร่วมกันของท่านทั้งสามว่าสามะคีปลอมรองกันดีหรือปฏิบัติอย่างไรท่านทั้งสามก็ทูลเล่าถึงวิธีที่ท่านได้ปฏิบัติเสร็จแล้วก็รับสั่งถามถึงว่าอยู่กันด้วยความไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปอยู่หรือ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 ซึ่งปรากฏในสมาธิจินแต่ว่าแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นก็อันตรธานหายไปท่านทั้งสามรูปจึงไม่ได้ประสบแสงสว่างไม่ได้ประสบการเห็นรูปไม่รู้แจ้งแทงตลอดนิมิตนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแนะนําวิธีปฏิบัติเพื่อแก้ไม่ให้อภิาตและรูปทัศนะมันหายไปโดยได้ทรงเล่าถึงการปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาซึ่งได้ทรงแสดงไว้ในพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่ง เรียกว่าอุปักกิเลสูุรมีความว่าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้อย่างทรงเป็นพระโพธิสัตว์ก็ทรงจำได้ว่าได้ทรงประสบโอภาพและรูปธัรมนแต่แล้วก็หายไปจึงได้ทรงค้นหาว่าอะไรเป็นเหตุให้หายไปก็ได้ทรงพบเหตุที่ทำให้หายไปโดยลำดับดังนี้หนึ่งวิจิกิจฉา ความสงสัยลังเลใจคือเมื่อเห็นโอภาษเห็นรูปทศนะก็เกิดลังเลสงสัยขึ้นว่านี่อะไรพอเกิดสงสัยลังเลขึ้นโอภาษและรูปทัศนะนั้นก็หายไปสองอธรรมนิสการการไม่ใส่ใจคือเมื่อโอภาษและรูปทัศนัปรากฏขึ้นจิตก็แวบไปเสียทางอื่นไม่กำหนดแน่นอนอยู่ที่โอภาษและรูปทศนะนั้น เรียกว่าไม่กระทำไว้ในใจโอภาษและรูปทศนนั้นก็หายไปสามถีนัดมิถะหวามม่างง่วงงูนเคลิบเคลิม้มเมื่อเกิดขึ้นก็ทําให้โอภาษและรูปทัศนะหายไป 4. ความสะดุ้งหวาดเสียวเมื่อโอภาษและรูปทศนั้นเกิดขึ้นเห็นรูปทศนะบางอย่างที่น่ากลัวก็เกิดสะดุ้งหวาดเสียวขึ้น เมื่อเป็นดังนี้โอภาสและรูปทศนัก็หายไปหาความคิดตื่นเต้นล่วงหน้าคือไม่ทันจะปรากฏโอภาสและรูปทศนะที่น่าตื่นเต้นแต่คิดคาไปว่าจะได้ประสบอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ตื่นเต้นขึ้นเสียก่อนหรือว่าเมื่อประสบโอภาสและรูปทศนับางอย่างที่น่าตื่นเต้นก็เกิดตื่นเต้นขึ้นทันทีเข้าในลักษณะที่ใจฟุ้งขึ้น ก็เป็นเหตุให้โอโภคและรูปตัศน์นั้นหายไปได้ 6. ความที่ร่างกายกระสับ ก, กระส่ายคือเมื่อร่างกายเกิดเมื่อยขบเจ็บคัด ก, กระสับกระส่ายขึ้นคุมไว้ไม่อยู่โอโภคและรูปตัศนะนั้นก็หายไปเจประรักความเพียรจับเกินไปก็ทําให้โอโภคและรูปตัศนะหายไปได้เหมือนกับจับนกด้วยมือสองมือแน่นเกินไปนกก็ตาย ความเพียรย่อหย่อนเกินไปก็ทําให้โอภคพาศและรูปทัศนะหายไปได้เหมือนอย่างจับนกปล่อยมือหย่อนมากไปนกก็บินหนีไปได้ 9. ความกระสิกที่ใจได้แก่เมื่อประสบโอภคพาศและรูปตัศนะบางอย่างก็มีเครื่องมากระสิกใจได้แก่ความอยากความปรารถนาเมื่อบังเกิดขึ้นก็ทําให้โอภคพาศและรูปตัศนะนั้น หายไปสิสัญญาคือความกําหนดหมายรูปที่มีอย่างต่างๆได้แก่เมื่อโอภาสและรูปปัถสนาปรากฏขึ้นก็มีสัญญาคือความกําหนดหมายพลาดไปมากเมื่อสัญญาพลาดไปไม่รู้โอภาสและรูปปัถสนาก็หายไปสิบเอ็ดความใช้จิตเพ่งพินิจเกินไปได้แก่เมื่อโอภาสและรูปปัถสนะปรากฏขึ้น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 เมื่อได้ส่งค้นพบถึงเหตุแล้วก็ได้ส่งระมัดระวังจิตลักเหตุที่ทําให้สมาธิเหล่านั้นไม่มันเกิดขึ้นเมื่อส่งละได้แล้วก็ส่งบงเพ็ญสมาธิประสบผลสําเร็จที่สมบูรณ์ก็ได้ตรัสถึงสมาธิที่ได้ส่งละอันเรียกว่าฌานได้แก่หนึ่งได้ส่งอบรมสมาธิที่มีวิตกมีวิจารสองได้ส่งอบรมสมาธิที่ไม่มีวิตก สักจะว่ามีวิจารณ์ 3. ได้ทรงอบรมสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ 4. ได้ทรงอบรมสมาธิที่มีปีติห้าได้ทรงอบรมสมาธิที่ไม่มีปีติ 6. ได้ทรงอบรมสมาธิที่ประกอบด้วยความสุขสําราญ 7. ได้ทรงอบรมสมาธิที่ประกอบด้วยอุเบขา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 คือว่าการทำสมาธินั้นจิตกำหนดอยู่ที่อารมณ์อันเดียวเหมือนดังเช่นทำอนาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกรวมจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยปกติจิตของเราพลาคือว่าออกไปรู้อารมณ์ต่างๆทางตาบ้างทางหูบ้างเรียกว่าพราก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 วิตกไม่ใช่ในความว่าตรึกตรองอะไรไปเหมือนอย่างที่เราพูดกันแต่ว่าวิตกนั้นหมายถึงคอยยกเอาจิตเข้ามาตั้งอยู่ที่นิมิตของสมาธินิมิตแปลว่าที่กาหนดเหมือนอย่างว่าเรากาหนดจุดที่ลมกระทบที่ปลายกระพุ้งจมูกหรือริงฟีปากเบื้องบนตรงนั้นเรียกว่านิมิตคือที่กำหนดจิตไม่ออกไป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 เหมือนอย่างตีระฆังดังเง่งขึ้นแล้ววิจารณ์ก็เหมือนอย่างเสียงครางของระฆังวิตกก็จับจิตเข้ามาตั้งไว้ที่นิมิตวิจารณ์ก็คอยประคองจิตให้ครุกเคล้าอยู่ที่นิมิตอันนั้นไม่ไปข้างไหนในการทําสมาธิตีแรกจะต้องคอยมีสติจับจิตมาสายไว้ที่นิมิตแล้วก็คอยประคองจิตให้อยู่ที่นั่นอยู่เสมอเพลอเมื่อไรจิตก็แวบออกไป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 สมาธิที่แน่วแน่จึงจะบังเกิดขึ้นที่เรียกว่าอุเบกขาในที่นี้เพราะฉะนั้นท่านจึงจัดองค์ของปฐมฌานคือความเพ่งที่หนึ่งไว้ห้าได้แก่วิตกวิจารปีติสุขเอกักะตาหรือว่าอุเบกขาเอกักะตาก็แปลว่ามียอดอันเดียวคือมีอารมณ์อันเดียวอุเบกขาก็คือว่าวางจิต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 เพราะว่าในขั้นเริ่มปฏิบัติจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเริ่มนําเอาจิตเข้ามาตั้งไว้ในนิมิตของสมาธิแล้วก็จะต้องมีวิจารณ์คือว่าให้จิตอยู่ที่นิมิตของสมาธินั้นไม่ให้ต่อไปข้างไหนเมื่อทํางานขึ้นก็ไม่ต้องใช้วิตกคือหมายความว่าจิตแน่วหรือว่าแซลอยู่ที่นิมิตของสมาธิอยู่ตัวแล้วก็ใช้เป็นวิจารณ์คอยประคองจิตให้แน่วอยู่ที่นิมิตของสมาธินั้น ไม่เผลอตัวคราวนี้เมื่อชำนานยิ่งขึ้นวิจารก็ไม่ต้องใช้อยู่กับปีติคือความอิ่มกายอิ่มใจจิตก็จะอยู่ที่นิมิตของสมาธินั้นอาศัยปีติชานานขึ้นก็ไม่ต้องใช้ปีติปีติยังมีลักษณะสู้ซาสู้ซาทางกายสู้ซาทางใจอย่างที่เรียกว่าปีติทั่วๆไปก็ละปีติอยู่กับสุข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 คือทำอันยิ่งของมนุษย์อันนี้ภิกษุนไปอดเข้าไม่ได้หมายความว่าหากไม่ได้ถึงแล้วไปอดเข้าต้องอาบัตถึงที่สุดคือปาราชิตขาดจากความเป็นพิสูจน์ทีเดียวแต่ว่าถ้าเป็นสมาธิอย่างสามัญชนิดที่มีวิตกวิจารณนั่นก็แปล ว, ว่าเป็นสมาธิสามัญอย่างต้องคอยจับจิตมาใส่ไว้จิตทีาป่อไปก็คอยจับก็ามาใส่ไว้ที่นิมิตของสมาธิ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 ก็จะปรากฏรูปวัตถนะคือการเห็นรูปขึ้นเห็นรูปอะไรต่างๆแต่ว่ารูปที่เห็นนั้นก็มีอยู่สองอย่างคือรูปที่เป็นลิมิตของสมาธิอย่างหนึ่งรูปที่เป็นผลของสมาธิยอย่างสูงอย่างหนึ่งรูปที่เป็นลิมิตของสมาธินั้นก็คือเมื่อจิตทำสมาธิและเมื่อแวบออกไปสักหน่อยหนึ่งถึงรูปอะไรรูปนั้นก็มากปรากฏขึ้นบางทีก็เป็นสัตว์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 บางทีก็ปรากฏเป็นพระเสด็จเข้ามาแล้วก็มาแนะนำอย่างนั้นอย่างนี้มาแนะนำให้ไม่นอนก็ไม่นอนแนะนำให้ไม่กินก็ไม่กินครับคราวนี้ก็เกิดเป็นโรคเส้นประสาทขึ้นมาเกิดจะตายขึ้นก็ต้องแก้กันเหล่านี้เรียกว่าเป็นภาพลวงทตามีรายหนึ่งเมื่อไม่สูนานปีมานี้พระฟรังจามัยกาทำกรรมาฐานอยู่ที่จังหวัดชนบุรี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 อย่างในพระส寿นี้ที่พระอนุรุทธะกราบทูลพระพุทธเจา้าและพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสแนะนำนี้ท่านก็แสดงว่าเป็นภาพจริงอันนี้เรียกว่าเป็นพวกทิพจักสุคือตาทิ์แต่ว่าน้อยคนนักที่จะประสบภาพจริงแต่ว่าแม้เช่นนั้นในขั้นปฏิบัติภาพที่ปรากฏขึ้นก็ยังหา ไ, ไปได้ซึ่งพระอนุรุทธะก็ยังหาทางแก้ไม่ได้ จนถึงพระพุทธเจ้าได้มาส่งแนะนําถึงอุปกิเลต ข, ของสมาธิสิบอข้อดังที่กล่าวมานี้เมื่อบังเพงสมาธิจั้นสูงได้อย่างนั้นและเมื่อบังเกิดความมืดขึ้นอย่างโอภาษ์บังเกิดขึ้นก็บังเกิดแสงสว่างครั้นโอภาสหายไปก็มืดรูปทัศน์ปรากฏขึ้นก็เห็นภาพเมื่อหายไปก็ไม่เห็นอะไร นี่ก็เพราะเหตุว่ามีอุปกิเล์เครื่องเศร้าหมองสึกเอบอย่างดังที่ได้กล่าวมาโดยลําดับแต่ว่าแม้ในการบำเพ็ญสมาธิชั้นสามัญก็ต้องระมัดระวังบ้างเหมือนกันถ้ามีอุปกิเล์เหล่านี้เช่นว่าเกิดสงสัยขึ้นมาเป็นต้นจิตก็จะออกจากนิมิตของสมาธิแปลว่าพลับตกก็ต้องละความสงสัยนั้นแล้วก็ยกจิตเข้าไปตั้งในนิมิตของสมาธิใหม่แปลว่า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 ประทับนาประเชตวันซึ่งเป็นอารามที่เศรษฐีอนาถบิณฑิกะสร้างถวาย